Oh. ที่ที่แล้วนะมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งแต่เป็นข่าวที่น่าประทับใจมากทั้งๆที่ตัวเนื้อข่าวเองมันเป็นเรื่องของความตายเด็กอายุ8ขวบนะเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจมากตั้งๆที่รักลูกคนนี้มากนะเพราะว่าได้เจ็บใจเอาไว้แล้วแต่ว่าที่น่าประทับใจยอยู่กว่านั้นคือว่าตัวเด็กนะชื่อน้องน้ำแข็งเนี่ย ก็พร้อมรับความตายได้ด้วยใจที่สงบตอนที่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ได้ทุรนทุรายนะบอกพ่อบอกแม่ว่าหนูปล่อยแล้วหนูวางแล้วเด็กเนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่หมอเ็ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะหนึ่งในล้าน แต่ว่าที่ยากกว่าคือการที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะเตรียมใจรับมือกับความตายได้โดยไม่ตื่นตระหนกนะตกใจอันนี้ก็เพราะว่าพ่อแมนะ่ได้เตรียมใจของเด็กเอาไว้ดีนะเตรียมใจยังไงนะเตรียมใจด้วยการชวนลูกซ้อมตายนะ ก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตนี่ผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยก็ได้ชวนลูกซ้อมตายหลายครั้งครั้งสุดท้ายก็1วันก่อนเสียชีวิตซ้อมตายเพื่ออะไรนะซ้อมตายเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะวางจิตวางใจได้ อย่างถูกต้องนะเมื่อความตายมาถึงผู้เป็นแม่จะบอกว่าเนี่ย้อมตายเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเราก็เชื่อนะว่าจิตสุดท้ายเนี่ยสำคัญมาก ถ้าจิตสงบจิตเป็นกุศลนะก็ไปดีถ้าจิตเป็นอกุศลมีความตื่นตหนกตกใจหรือมีความหัวหงหาอาวรนนะั้นก็ไปไม่ดีพ่อแม่ก็เลยให้ลูกได้ซ้อมตายจริงๆมันก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ ใครก็ตามที่ป่วยหนักระยะท้ายนะพอใกล้ตายก็จะ ม, มีการนำทางเรื่องเป็นการเตรียมจิตของผู้ป่วยให้พร้อมเผชิญความตายให้จิตเป็นกุศลเพราะว่าเมื่อถึงจิตสุดท้ายหาจิตสุดท้ายเป็นกุศลก็ไปดี แต่ว่าพ่อแม่ของน้องน้ำแข็งเนี่ยไป ม, มองว่าเนี่ยจะจะไปนำทางลูกต่อระยะท้ายจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการเพราะว่าอาจจะพูดไม่ได้หูอาจจะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยนระที่ลูกยังมีเรียวมีแรงมี มีสติปัญญาสามารถจะพูดคุยได้ก็ซ้อมซะก่อน้พูดแม่ก็ซ้อมดีนะบอกลูกว่าเนี่ยวันสุดท้ายก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตเนี่ยที่ซ้อมเนี่ยก็บอกลูกว่าเนี่ยร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเราเลยนะควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยากให้มันเจ็บมันปวด นะมันก็ยังเจ็บมันปวดอยู่มันไม่ใช่ของเราเลยมันเป็นสิ่งที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวถ้าไม่ไหวจริงก็ทิ้งมันไปเลย น, นะมันเป็นกองทุกเนี่ยขืนรั้งเอาไว้นี่ก็มีแต่จะทุกข์นะปล่อยให้หมดน้องน้ำแข็งก็ดูจะเข้าใจนะ มันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งทีเดียวสอนลูกให้เห็นว่าเนี่ยร่างกายมันเป็นอนัตตาแล้วก็มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนนิดจังแล้วก็เป็นกองทุกข์แบกเอาไว้ยึดเอาไว้ก็มีแต่ทุกข์ปล่อยมันไปดีที่สุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก็ ก็ได้มีการสักถามนะลูกนะว่าเนี่ยถ้าน้ำแข็งจะต้องตายเนี่ยมีอะไรห่วงมีอะไรเสียใจไหมนี่เป็นคำถามสำคัญนะเพราะว่าพ่อแม่นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยไปด้วยจิตที่ไม่มีห่วง หรือว่าดีริงกนั้นนะคือว่าไปด้วยจิตของผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่เห็นความจริงของสังขารแต่ก่อนหนึ่งก็ต้องไปด้วยจิตที่หมดห่วงซะก่อนก็ เ, เลยถามลูกนะว่าเนี่ยถ้าลูกจะต้องตายเนี่ยมีอะไรห่วงมีอะไรเสียใจหัหย น้องแข็งก็พูดขึ้นมา2ข้อนะชัดเจนมากาว่านูเนี่ยอยากจะเป็นนักวาดรูปแต่ถ้าหนูตายหนูก็เสียใจนะที่ไม่ได้วาดรูปไม่ได้มีไม่ใช่เป็นนักวาดรูปมืออาชีพอย่างที่ใฝ่ฝันเอาไว้แม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าลูกอยากจะวาดรูปนะ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็วาดรูปได้อยู่ในโลกมนุษย์ก็วาดรูปอยู่ในสวรรค์ก็วาดรูปได้แต่สิ่งสำคัญคือว่าอาจจะต้องไปแนละ้วก็ไปด้วยจิตที่ไม่มีห่วงไปด้วยจิตที่ดีไม่มีความวิตกกังวลอะไรก็รู้ว่าเขาใจนะถึงจะวาดรูปไม่ได้ใน โลกนี้ก็แปว่ารูปในภพหน้าแล้ที่สําคัญคือว่าจิตใจที่เป็นกุศลไม่มีห่วงไม่ยึดติดกับอะไรน้อง น, น้ําแข็งก็ยังพูดถึง ว, ว่าเนี่ยมีข้ออีกข้อหนึ่งนะคือว่าไม่อยากจากพ่อแม่ไปเลยอยากอยู่กับพ่อแม่นะเรียกพ่อแม่ว่าป้ากับมานะีอยวอยู่กับป้ากับมา แม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้านอนน้ําแข็งไปดีนะไปสบายนะจะกลับมาหาแม่จะกลับมาหาแม่มาามาเมื่อไหร่ก็ได้ว่าหนูไปดีไปสบายแล้วนางก็พูดนะว่าเนี่ยกลัวแม่กลัวพ่อหรือกลัวป้ากลัวม้าเสียใจที่หนูจะต้องตาย แม่ก็บอกลูกว่าเนี่ยแม่จะทำใจให้เข้มแข็งนะแม่สัญญาว่าจะไม่เสียใจจะเก็บเอาความคิดถึงลูกเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ขยันทำความเพียรเจริญสติเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมจะได้ไปได้ไปเจอลูกนะ ได้ไปพบลูกน้องลำแข้งกระพู้ยนะวันนี้อยากจะดูแลม้าในยามแก่เท่าแต่นี่หนูก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าหนูกำลังจะตายแม่ก็บอกลูกว่าเนี่ยแม่เก็บเงินไม่เยอะ ญาติพี่น้องก็มากมายหลายคนในยามแก่นี่มาไม่เดื อ, อดร้อนหรอกนะมาเอาตัวรอดได้มาอยู่ได้น้ำแข็งได้ยินเนี่ยก็รู้สึกสบายใจนะรู้สึกสบายใจนะหมดห่วงแล้วอันนี้เป็นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะ เมื่อใครคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะจากไปเนี่ยถ้าว่าเขาไปด้วยใจที่หมดห่วงใจที่สบายเขาก็จะไม่ทุกข์ทรมานเท่าไหร่เขาก็สามารถที่จะเผชิญกับความตายได้ด้วยใจที่สงบแต่ว่าก็มีหลายกรณีนะที่หรือหลายครอบครัวที่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันตรงๆแบบนี้เพราะว่า ไม่อยากที่จะเลี่ยงไม่อยากที่จะพูดถึงความตายของคนที่ตัวเองรักนะไม่อยากถามคนที่กำลังจะป่วยคนที่ป่วยหนักกำลังจะตายว่าเนี้ยต้องตายมีอะไรเป็นห่วงไหมบางทีคนไทยเราก็ไม่ค่อยอยากจะถามางที่ตรงๆนะกับคนที่กำลังจะตายเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้า แต่นี่นะเป็นเด็กนะแดขวบแล้วก็พ่อแม่ก็ถามลูกตรงๆเลยนะถ้าลูกจะต้องตายเนี่ยมีอะไรเสียใจัหมมีอะไรเป็นห่วงั้มมันเป็นโอกาสที่ได้เคลียนะเป็นออดโอกาสที่จะได้เคลียเป็นโอกาสที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่กำลังจะตายเนี่ยได้ปลดเปื้อง สิ่งต่างๆที่เป็นห่วงหรืออาจจะรวมถึงความรู้สึกความรู้สึกผิดติดข้างใจก็ได้ถ้าพอได้เคลียร์กันแบบนี้หรือพอได้ชี้แจงแบบนี้แล้วเช่นชี้แจงว่ามาอยู่ได้นะแก่เท่านี้มาก็อยู่ได้มีคนช่วยเยอะถ้าลูกก็สบายใจ พอคนที่เป็นลูกเนี่ยก็มักจะห่วงพ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ที่กาลังจะตายก็ห่วงลูกแต่ถ้าลูกบอกกับพ่อแม่ที่กำลังจะจากไปว่าลูกอยู่ได้นะพ่อแม่สอนไว้ดีเพราะว่าพ่อนะเป็นแบบอย่างให้ลูกรู้จักพึ่งตัวเองเป็นคนดีมีคุณธรรมพอพูดแบบนี้เข้านะ พ่อแม่ที่กำลังจะจากไปก็เหมือนกับหมดห่วง น, นั่นก็คือประโยชน์นะของการซ้อมตายที่ครอบครัวนีก็ได้ทำนะเป็นแบบอยา่างก็มีการทำพิธีนะเหมือนกับว่าจะตายจริงนะเช่นพ่อนี่ก็เอาพวง ม, มาพวงมาลัยมาให้ลูกลูกก็ใช้พวงมาลัยนี่ น, นนะ ขอบคุณเทวดานะที่ช่วยดูแลรักษาน้ำแข็งแล้วหอยพ่อให้เทวดาได้ช่วยดูแลรักษาพ่อแม่ด้วยให้การซ้อมตายแบบนี้นะมันเป็นโอกาสที่จะได้พูดได้ชี้แจงได้อธิบายรวมทั้งได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ขณะเดียวกันก็ เป็นโอกาสที่ได้นําทางจิตใจนะของผู้ป่วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยังพอมีสติยังพอรู้เรื่องเพราะไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่ารอไปนําทางผู้ป่วยตอนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตนะตอนที่ใกล้จะหมดลมตอนที่ความดันตกชี่ประจอเนี่ยบางทีวัดไม่ได้เนี่ย ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะได้ยินหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเขาสงสัยขึ้นมาเขาถามก็ถามไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าซ้อมตายขณะที่ยังมีสติยังมีเลวแรงอยู่อะไรที่เขาติดค้างหรือคาใจเขาอาจจะถาม อะไรที่เขาสงสัยเขาก็อาจจะซักน้ำแข็งก็อารมณ์ดีนะพอแมนะ่พูดว่าเนี่ยให้ปล่อยให้วางให้หมดนะสังขารร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราน้ำแข็งก็ถามแม่ว่าให้ซ้อมตายเกิดว่าไม่ตายนะมันไม่เสียเวลาหรอือ แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าซ้อมไว้นะมันไม่ขาดทุนหรอกอ น, นี่เป็นคําพูดที่ดีเลยนะเพราะว่าถึงไงทุกคนก็ต้องตายนะไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าซ้อมเอาไว้เนี่ยมันดีเสมอแล้วสุดท้ายน้ําแข็งก็จากไปอย่างสงบนะในงานศพนี่พ่อแม่ก็ไม่ได้ร้องไห้ฟูฟ้งไฟ คำควญทั้งๆที่เป็นลูกคนเดียวนะแล้วมันก็น่าสะท้อนใจนะเด็กแค่แค่8ปขวดเท่า น, นั้นเองถ้าเป็นคนเท่าคนแก่ตายนี่มันก็ยังพอทำใจได้ง่ายแต่นี่เด็กแค่แปดขวดแล้วตลอดช่วงสองปีสุดท้ายนี่ก็อยู่กับความทุกข์เพราะความเจ็บป่วยน้องน้ำแข็งนี่เริ่มป่วยตั้งตอนวิห6ขวดชีวิตที่ควรจะ สนุกสนานนะสดใสนี่ก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลแล้วก็เจอความเจ็บปวดจากการรักษาจนตนเรานียอมรับได้นะว่ารักษาไม่หายแล้ว เ, เลิกที่จะยือ้อเลิกที่จะใช้กระบวนการรักษาที่เจ็บปวดที่ทำให้เจ็บปวดโดยที่ ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยรักษาให้หายหรือเปล่าตอนหลังน้องน้าแข็งกับพ่อแม่ก็บอกนะขอขอรับการดูแลแบบประคับประคองดีกว่าการดูแลแบบประคับประคองคือว่าการดูแลโดยที่ไม่ยื้อชีวิตนะก็มุ่งลดความความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเพื่อให้ไปสงบแล้วก็เป็นโอกาสให้พ่อแม่นะได้เตรียมเตรียมลูกนะ ในเรื่องของจิตใจให้การซ้อมตายเนี่ยที่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ยที่จริงประโยชน์มันมีประการหนึ่งนะก็คือว่าทำให้ตายโดยไม่ทุกข์ทรมานด้วยไม่ตายด้วยความกระสับกระสายเพราะยอมรับนะความจริงยอมรับความตายได้ในช่วงนี้ก็สำคัญนะ ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดทุรนทุรายนี่มันก็ทำให้พ่อแม่ใจเสียแต่ว่าน้องน้ำแข็งก็ก็ไม่ได้มีอาการแบบนั้นเท่าไหร่กายมันทุกข์นะแต่ว่าใจเขาไม่ได้ทุกไปกับกายด้วยคือยอมรับได้พอยอมรับได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการทุรนทุรายเท่าไหร่ก็ทำให้การ ทำให้ช่วงท้ายของชีวิตนี่เเป็นไปอย่างสงบอันนี้มันก็เป็นผลจากการซ้อมนะเป็นผลจากการเตรียมแล้วพอใจไม่กระสับกระส่ายใจสงบเจิตสุดท้ายเป็นกุศลมันก็ไปดีเพราะการซ้อมตายเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ว่าไปดีหลังตายนะแต่ว่ามันทำให้ไม่ ทุรนทุลายก่อนตายด้วยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเติมก็ชื้ให้เห็นนะว่าเด็กเนี่ยนะแม้ว่าจะแค่แปดขวบเนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเข้าใจสัจธรรมได้ไม่ใช่แค่เข้าใจเรื่องความตายว่าเป็นธรรมดาแต่เข้าใจนะว่าให้สารังคารร่างกายมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเรามัน ไม่สามารถจะอยู่ในอำนาจของเราได้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยการเตรียมนะเตรียมเตรียมจิตเตรียมใจของลูกแล้วถ้าเตรียมดีนะเขาก็ไปดีมีเด็กคนนึ่าชื่อน้องอ๋องนะสิบขวาเป็นลิวคเมียตอนที่เริ่มเป็นลิวคีเมียนี่แม่ก็พาไปรักษาจากนั้นโดยการก็ชวนลูกเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องธรรมะ น้ององเป็นคนภาคใต้นะพ่อแม่ก็พาไปสวนโมกไปฟังธรรมจากสวนโมกตอนนั้นหลวงพ่อพุทธทาสก็ลงลาดับสังขานไปแล้วแต่เด็กก็รู้จักนะเรียกหลวงพ่อพุทธทาสว่าหลวงพ่ออ้วนให้การที่ได้ซึมซับรับธรรมะเนี่ยทละนิดเทเละหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยนะถึงเวลาที่น้อง อ, องคเนี่ย แกอยู่ในระยะท้ายเนี่ยก็ทำใจได้นะพอการหนักๆ น, นี่แกล่ำลาเลยนะล่ลาแม่ล่ำลาพยาบาลน้องอองจะไปแล้วนะแต่ว่ามีช่วงหนึ่งนะเกิดหายใจติดขัดก็ตกใจน้องจะไปแล้วหรือเนี่ยตกใจนะแต่พยาบาลนาะที่ ดูแลน้อง อ, องค์มาตลอดนี่แล้ว ก, ก็ดีนะแนะนำดีเพูดตรงๆนะไม่ใช่น้อง อ, องคกำลงังจะไปแล้วแต่น้องององไม่ต้องกลัวนะน้องององเป็นคนกล้าเดินไปข้างหน้าเลยนะข้างหน้านี่หลวงพ่อพุทธทาสรอ น, น้อง อ, องค์อยู่นะน้อง อ, ององเดินไปข้างหน้าเลยไม่ต้องกลัวส่วนแม่เนี่ยทีแรกก็ ใจเสียแต่พอไดได้สติแล้วก็นะชวนน้อง อ, องค์นี้พุโทโธนะหายใจเข้าพุทธายจักโธแม้ว่ามันจะลําบากนะแต่มันก็เรียกสติของน้อง อ, องค์ได้นะพอน้ององได้สติจากพุโทโธนะสงบเลยแล้วก็ไปดีในที่สุด น, นเด็กนี่ฝึกได้นะแล้วก็จะว่าไปเด็กนี่ก็สอนง่ายด้วย ถ้าว่าพ่อแม่เนี่ยเข้าใจธรรมะก็สามารถที่จะถ่ายทอดธรรมะให้ลูกเนี่ยได้เข้าใจทีละนิดทีละหน่อยเลิ่มก็ช่วยได้แต่ว่ากรณีของน้องน้ำแข็งนี่ก็น่าสนใจนะตรงที่ว่าพ่อแม่เนี่ยเห็นความสำคัญการซ้อมตายนะไม่ใช่รอให้ไป ไปเจอของจริงตอนที่กำลังจะตายแล้วก็ทำใจเอาอตอนนั้นไ ม, ไ, มไม่พอนะต้องซ้อมกันอันนี้ก็เป็นบทเรียนพระอุทาหอนนะว่าพวกเราก็เหมือนกันนะแม้ว่าจะยังมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ควรจะหมันซ้อมตายอยู่เนืองๆ น, นะซ้อมตายด้วยการเจอมรณนะสติ เช่นก่อนนอนเนี่ยเราก็ลองนึกเสีย ว, ว่าเนี่เกิดจะต้องตายในคืนนี้นะจะต้องทิ้งทุกอย่างที่มีที่เป็นไม่ว่าลูกไม่ว่าคนรักพ่อแม่ ง, งานการทรัพย์สมบัติผมทั้งทิ้งร่างนี้ด้วยนะทิ้งความสุขที่เคยชื่นชมใมหม่ๆมันก็ ใจ ม, ม, มันไม่ยอมนะมันก็ขัดขืนแต่ว่าทำบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นหรือ ถ, ถ้าเกิดว่ายังมีอะไรที่ยังค้างคาหรือขาดใจอยู่มันก็กระตุนให้ไปจัดการสิ่งนั้นไม่ให้ติดค้างไม่ให้ขาดใจบางคนบอกยังทำดีไม่พอยังให้เวลากับพ่อแม่ไม่เพียงพอเลยอ่ะก็ต้องรีบไปทานะ ลงขึ้นวันลุ้งขึ้นเนี่ยถ้าไม่ตายนี่ก็ต้องให้เวลากับพ่อแม่หรือให้เวลาการปฏิบัติมากขึ้นที่จริงมันเราซ้อมตายกันได้ได้หลายวิธีนะเวลาสูญเสียทรัพย์โทรศัพท์หายรถถูกโกงถูกป้นเอาไปก็ถืว่านี่เป็นการซ้อมเหมือนกันนะแทนที่จะเอาแต่ทุก โศกคร่ำควรวญโกรธแค้นก็ถือว่านี่เข้ามาซ้อมนี่เป็นการซ้อมนะซ้อมว่าเนี่ยถ้าเกิดต้องสูญเสียพัดพรากเนี่ยเราจะทำใจได้ไหมพะถึงวเวลาจะต้องตายนี่มันก็ต้องสูญเสียทุกอย่างเลยนะมีร้อยก็หมดร้อยมีล้านก็หมดล้านเอาเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเป็นแบบฝึกหัด รวนทั้งเวลาเจ็บเวลาป่วยด้วยนะเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ถือว่าเออนี่มันเป็นโอกาสที่เราจะซ้อมตายนะซ้อมตายด้วยการฝึกจิตนะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อป่วยเนี่ยทำไงมันจะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยทำไงทุกขเวทนาทางกายมันจะไม่บีบคั้นใจเพราะถ้าว่าปล่อยใจให้ทุกข์ไปกับกายนะ ถึงเวลาตายเนี่ยมันยิ่งทรมานนะเพราะว่าทุกขเวทนาตอนจะตายนี่มันแรงกล้ากว่าตอนที่เราเจ็บป่วยหลายเท่าตอนที่เจ็บป่วยนะมันยังห่างไกลจากตอนที่เรากำลังจะตายแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกซ้อมนะฝึกซ้อมเจริญสติว่าเราจะตั้งสติอย่างไรเราจะ รักษาใจไม่ให้ทุกข์ขณะที่กายมันป่วยมันกระสับกระสายได้ไหมอะไรี้สําคัญมากเป็นวิชานะที่จําเป็นมากเลยนะเวลาที่เราจะต้องตายเนี่ยเพราะว่าทุกขเวทนา น, นี่มันจะกําเริบมันจะรุนแรงมากถ้าเรารักษาใจไม่ให้ไม่ให้ทุกขไปกับกายไม่ได้เนี่ยถ้าเรารักษาใจนะไม่ได้เนี่ย ว่มันจะง่ายมากเลยนะที่จะตกในอบายหรือว่าพลัดเข้าไปสู่ในอบายได้ที่เราตกอบายแต่ถ้าว่ากายป่วยกายทุกข์แต่ว่าใจไม่ทุกข์กายยังสงบอยู่ได้นี่อ่ให้การที่จิตสุดท้ายจะเป็นกุศลแล้วก็ไปดีไปสู่สุคติมันก็เป็นไปได้ง่ายหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะเรื่องจิตสุดท้ายเรื่อง เรื่องสุขติภพแต่งน้อยเนี่ยมันก็เห็นได้ชัด น, นะตอนที่จะตายเนี่ยถาาว่าไม่ทุรนทุรายเนี่ยเพรามันเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากเพราะคนจำนวนมากเนี่ยตอนจะตายมันทุรนทุรายทั้งกายทั้งใจแต่ถ้าว่ารู้จักรักษาใจให้เป็นปกติได้ แม้ทุกขเวทนาทางการมันจะกาเลิบยังไงนะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่จะทำให้การตายของเราเนี่ยเป็นไปอย่างสงบและพอราก็ถ้าเราเชื่อว่ามีสุคติพบก็แน่ใจได้ว่านะเมื่อจากไปเมื่อสิ้นลมนะจิตก็จะไปสู่สุคติได้ฝึกเอาไว้นะซ้อมเอาไว้นะซ้อมตายอยู่เนือง ด้วยการฝึกจากความเจ็บความป่วยด้วยการฝึกจากการสูญเสียและต่อไปก็ต้องซ้อมนะซ้อมป่วยซ้อมแก่ด้วยให้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องซ้อมกันแหละแต่หน้าแปละนะคนเราไม่ซ้อมกันเลยให้เรื่องบางเรื่องนี่แม้จะไม่สําคัญแต่เราก็ซ้อมนะเช่นซ้อมรับประเด็ญญาานาเงี้ยซ้อมรับประกาศเนียบัตรนี่โอเราซ้อมกันเป็นไปนเรื่องจริงจังมากแต่้เรื่องความตายนี่ กับไม่คิดที่จะซ้อมแต่ว่าครอบครัวของน้องน้ำแข็งนี่เขาก็เห็นความสำคัญมากนะและสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันก็ให้ผลคุ้มค่ามากก็ทำให้น้องน้ำแข็งไปสงบไปดีส่วนพ่อแม่นี่แม้จะเศร้าโศกเสียใจนะแต่ว่าก็ไม่ได้เศร้าสศกเสียใจมากเรียกว่ายิ้มทำน้งตา พอ เ, เห็นลูกไปดีความสุขของคนที่จากของคนที่อยู่เบื้องหลังเมื่อเกิดความสูญเสียนีย่ก็คือการที่เห็นคนที่เรารักเขาจากไปด้วยดี น, นี่ก็เรียกว่าแม้จะเสียใจมีน้ำตาแต่มันก็มีรอยยิ้มยิ้มที่เขาไปสบายยิ้มที่เขาไปอย่างสงบอันนี้มันเป็นรางวัล น, นะที่คุ้มค่ามากเนี่ย จากการซ้อมอยู่เนื่องๆเอาคำเดีูดเท่านี้นะ